นั่นเมื่อเป็นเพื่อนกันในฐานะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วถึงแม้เราไม่นับว่าเพื่อนเพราะมันเหมือนกันเราเกิดมาเนี่ยเรามาต้องมาเผชิญปัญหาของชีวิตเหมือนกันหนึ่งเรามาเผชิญกับความความเกิดเรามาเผชิญกับความแก่มาเผชิญกับความเจ็บความตายแล้วก็ต้องความโศก ค, ความลำลาหลลําพันธ์นั้นก็เป็นผลตามมาอีกเยอะมาก ฉะนั้นโดยสถานะภาพของมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยเป็นเพื่อนในคําสอนของพระเจ้าทึงบอกว่าให้มองว่าเราท่านทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกียนี้พอมารู้จักกันจะอยู่ในฐานะอะไรสมมุติกันไปเป็นเพื่อนอย่างสมมตุติไอ้เพื่อนโดยสภาวธรรมนั้นคือเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนโดยสมมุติก็คือมาอา้าวเราเข้ากันเป็นเพื่อนนะเราเข้ากันเป็นแฟนนะ เราคบกันเป็นสามีภรรยาเนี้ยเนี่ยแต่สถานภาพตรงนี้เราสามารถเดินออกจากกันได้ออกจากความเป็นสามีภรรยาได้ออกจากความเป็นคู่รักกันได้ออกจากความเป็นเพื่อนที่โดยสมมุติได้แต่มันออกไปได้โดยสถานะความเป็นเพื่อนเกิดแก่จิบตายอันนี้คือความจริงของชีวิตถ้าเรารู้ความจริงกันแบบนี้เนี่ยเราจะไม่เป็นแบบนี้สภาพปัญหาขัดแยง้งทะเลาะกันมันจะไม่เกิดเพราะ ถึงจะหลุดจากสถานะนี้เราก็ยังไปอยู่อีกสถานะหนึ่งหรือเหมือนยกตัวอย่างเช่นว่าคนบางคนเป็นแม่เป็นพ่อใช่ไหมก็เคยเป็นลูกมาแล้วก็มาเปลี่ยนสถานะมาเป็นพ่อเป็นแม่มาเป็นพี่มาเป็นน้องมาเป็นสามีมาเป็นภรรยาแล้วมาเป็นครูมาเป็นอาจารย์มาเป็นเพื่อนมาเป็นเจ้านายมาเป็นลูกน้องอันนั้นก็คือเป็นสมมติที่ตั้งกันขึ้นมาใช่ไหม ั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจ <c oughs> ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะได้ทำข้อมูลความรู้ให้เกิดขึ้นปัญญาที่ก็ไปรู้ความจริงตรงนี้มันจะได้ทำงานแล้วมันจะไม่ได้ติดความเห็นโ <c oughs> ดยมากเนี่ยโดยมากเราไปเห็นไอ้ความเห็นก็ไปกอดความเห็นกัไว้ปัญญาก็เลยได้ไม่มีโอกาสในการที่จะทำหน้าที่ได้เต็มที่ฉะนั้นในจุดมุ่งหมายในการมาเจริญสมาธิของกเราเนี่ย เรามีวัตถุประสงค์ว่าต้องการสงบระงับกลุ่มนิวรธรรมเพราะการที่นิวรในใจเราเนี่ยไอตัวขัดขวางให้เราพัฒนาถึงความดีสูงสุดไม่ได้เนี่ยมันเป็นเหตุทำให้ปัญญาไม่สามารถทำหน้าที่ได้เต็มที่หรือมาเกิดนำจิตได้เต็มที่เพราะมันมีตัวที่คอยคุ้มร่มอยู่เมื่อวานพูดถึงในเรื่องของสมาธิคื อ, อสมาธิเนี่ย หมายถึงความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่แห่งจิตคือความมั่นอยู่แห่งจิตความไม่สายไปแห่งจิตความไม่พุ่งสั้นแห่งจิตหรือภาวะที่จิตไม่สัดสายภาวะความสงบสงบสับนั้นเ็าเรียกว่าสมถะบางทีก็เรียกว่าสมาธินีสมาธิพละสมาธินีความเป็นใหญ่คือสมาธิ สมาธิภละกาลังคือสมาธิสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นที่ถูกต้องหรือสมาธิสัมโพชงเป็นองค์แห่งการที่จะตัดสู้ความจริงนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิฉนั้นวัตถุประสงค์เราไม่ได้มาเจริญมิจฉาสมาธิใช่ไหเรามาเจริญสัมมาสมาธิทีนี้ในตัวสัมมาสมาธิเนี่ย ภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวฝ่ายกุศลจึงจะชื่อว่าสมาธิไม่ใช่ว่าตั้งมั่นแล้วจิตโกรธ ด, ด้วยความตั้งมั่นโลภด้วยความตั้งมั่นหลงด้วยความตั้งมั่นอันนี้ไม่นับไม่เอาที่เราต้องการมาฝึกกันเนี่ยต้องความภาวะที่จิตตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวแต่ต้องเป็นกุศลและจิต ด, ด้วยเะั้นสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตหรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กาหนด ถ้าจํากัดความหมายในสมาธิก็คือเขาจะใช้คําว่าจิตตัดเสกะขะตาเรียกสั e ้นๆว่าเอกคตาเขาแปลว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งก็คือการที่จิตนั้นกําหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านไม่สายไป แล้วก็โดยความหมายในรุ่นหลังๆเขาจำกัดลงไปว่าสมาธิคือภาวะที่มีที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวของกุศลจิตก็หมายความว่าการดำรงจิตและเจตสิกไว้ในอารมณ์หนึ่งเดียวอย่างเรียบสม่าเสมอและก็เป็นไปด้วยดีลักษณะอย่างเนี้ยสรุปก็คือว่าเน้หลักของพุทธศาสนาหมายถึงการที่จิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวในทางกุศล เป็นสมาธิตามหลักในอริยามรรคมีองค์แปดที่เริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใช่ไหมจนถึงองค์สุดท้ายที่เรียกว่าสัมมาสมาธิฉะนั้นเวลาเรามาศึกษาข้อมูลความรู้เนี่ยเรามาเจริญปัญญาปัญญานั้นต้องเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นที่ถูกต้องเห็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เป็นสมาธิที่ควรแก่การใช้งานด้วยการแก้ปัญหาชีวิตกับการบำบัดโรคทางกายและจิตก็คือการเจริญก้าวหน้าแห่งสมาธิสุวิปัสสนานั้นเป็นทางแห่งปัญญาสู่การสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์กนั้นการเจริญสมาธิของเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องตั้งหลักให้ถูกสมาธิก็คือความตั้งมั่นแห่งจิต ระดับของสมาธิท่านแยกเป็นสมระดับสมาธิคือเอกคตาสมาธิจิตที่มีสมาธิแน่วแน่ในอารมณ์เดียวแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ที่เพ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมีสามระดับ 1. ก็คือคณิกะสมาธิเคยได้ยินไหมบางทีเขาเรียกมูละสมาธิหรือเรียกบริกรรมสมาธิก็ได้จิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ชั่วขณะหรือเป็นสมาธิขณะที่บริกรรม เช่นในขณะที่ระ ล, ลึกเข้าระ ล, ลึกออกระ ล, ลึกเข้าระ ล, ลึกออกแล้วจิตไม่ไปทางไหนเริ่มต้นอันนี้คั้นนิกะบางทีก็เป็นไปในชั่วพักหนึ่งแล้วก็หลุดไปเป็นได้ชั่วงพักหนึ่งแล้วก็หลุดไปเงี้ยนะอันนี้คั้นนิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะระดับที่สองเขาเรียกว่าอุปจาระสมาธิอุปจาระเนี่ยก็คือจิตที่ตั้งมั่นในรมใกล้ที่จะได้ฌาน ใกล้ที่จะแนบแน่นใกล้ที่จะตั้งมัน่นนี่ภาวะเนี่ยเป็นภาวะที่มีความตั้งมั่นมากกว่าคณิกศาเริ่มเคียดก็ได้ใกล้ใกล้จะดิ่งก็ถึงฌานสมาบัตินี่เรียกว่าอุปจาระตัวอุปจาระนี่แหละที่ถามอิยมบีถามว่าอเราต้องฝึกให้ถึงตรงนี้เบื้องต้นพอได้ระดับอุปจาระตรงนี้แล้วเนี่ยนิวรณจะสงบหรือ ความการมาฉันทะความติดใจใ่กสันจะสงบราบคาไปความหงุดหงิดไม่มีเลยตอนนั้นนั้นจะถูกจะถูกข่มไว้หมดเลยถูกถูกตัวกําลังของสมาธิมาอยู่ม า, ม า, ม, ามาอยู่ในจิตแล้วสภาพกิเลสเหล่านี้ก็จะหลุดหายไปแต่ไม่ได้ละได้นะเพียงเขาไม่ได้โอกาสความหดหู่ท้อถอยก็จะหายไป ความพุ่งสร้างลำคาญใจก็จะหายไปความลังเลสงสัยก็จะหายไปฉะนั้นสมาธิระดับนี้เขาเรียกวุปจานละอันนี้ใกล้ตัวความเนี่ยแน่นมาบางขั้นใช้กําลังสมาธิระดับนี้เดินยานปัญญาแทงตลอดอริัยสัตวีใช้ระดับพวกนี้เนะี่ยเดี๋ยวนี้จะสูงไปกว่า น, นั้นเพื่อความชัวและมั่นใจเขาพัฒนาต่อเขาไม่อยู่แค่อุปจารละ เขาเอาอปปนาสมาธิเลยความตั้งมั่นหรือแนบแน่นอยู่ในอารมณ์ตามที่กําหนดอันนี้ไม่ซัดสายไปไหนเลยกิเลสไม่สามารถรบกวนได้อปปนาสมาธิก็คือชาญาจิตที่เป็นอปปนาจิตเกิดขึ้นเลยตรงนี้ชัดเลยเข้าฝึกจนชานาญเลยฝึกเข้าเวลาไหนออกเวลาไหนก็ได้นี้เป็นต้นทีนี้ระดับของสมาธิดังที่ได้กล่าว ในระดับของสมาธิเนี่ยคณิ้่กาสมาธิเนี่ยหรือสมาธิชั่วขณะเป็นสมาธิขั้นต้นบางทีเขาเรียกมูลสมาธิสมาธิขั้นมูลฐานคนทั่วไปอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันได้ผลดีจัดเป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญวิปัสสนาก็ได้แต่จริงๆแล้วเวลาคนไปได้อุปจาระหรือได้อาปนาแล้วแต่พอออกจากอุปจาระอาปนา ก็ใช้ฐานของคณิกสมาธิซึ่งมีอัปนา ห, หรืออุปยาราอยู่เบือววอเบ้องหลังได้รับความสงบอยู่เบื้องหลังนี่เลยเป็นฐานเดินยานปัญญาตรงนี้มันชัดมองเห็นเลยเขาเราียกว่าเครื่องรบกวนจะไม่ค่อยเข้ามาผิดกับคนที่แบบปุ๊บก็ใช้ปัญญาพิจารณาเลยถ้าอย่างเราใช้ปัญญาที่พิจารณาเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะเไปได้ไม่นานสังเกตุไดหดมเวลาเราจะนาสิการเรื่องอะไรเ ด, ดดไเดี๋ยวโดดไปนู่นเดี๋ยวโดดไปนี้ อันนี้บอกบอกว่าพื้นเพเบื้องหลังของจิตนั้นไม่มั่นคงจะคิดอะไรได้ไม่นานจะซัดสายง่ายจะวันไหวไปตามสิ่งเร้าได้ง่ายแต่ถ้าคนที่ฝึกสมาธิได้ดีมีฐานสมาธิเป็นเบื้องหลังแล้วตอยมีสิ่งเรา้าต่อยมีฐานรบกวนข้างนอกก็ไม่มีอิทธิพลต่อจิตจิตก็จะสามารถจะดิ่งเรื่องอะไรมนศัศกาเรื่องอะไรใส่ใจเรื่องอะไรมันก็ไปในเรื่องนั้นตามที่กาหนด ตามที่ต้องการตามที่ปรารถนามองเห็นได้ยังเพราะฐานของจิตเนี่ยแปลว่าทำได้ดีแล้ว แ, และพื้นเพของจิตเนี่ยขจัดของเสียออกเลยแล้วเหตุผลที่มนุษย์คิดเรื่องอะไรได้ไม่นานบางครั้งเราจะมองพุทธคุณก็คิดพุทธคุณก็คิดได้ไม่นานเพราะอะไรเพราะว่ามันมีของเสียเนี่ยในจิตเนี่ยคอยมากมาเล้ามามาคอยกระตุ้นให้จิตนั้นเผลอเช่น ความโลภความกำหนัดยินดีมันก็หรือมาเล้าออกไปที่อา้าวสายไปกับความโลภเลยบางทีก็ความหงุดหงิดความโกรธความหงุดหงิดเล็ก ๆ, ๆน้อยๆหรือมากก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามากระทบกระทั่งมันดึงออกไปอีกแล้วบางครั้งก็ความหดถู่ท้อถอยรู้สึกเกียดค้านขึ้นมาทันทีไม่อยากจะคิดต่อเคยเป็นไหมมันไม่อยากคิดต่อแล้วโอ้พอแล้วเบื่อหน่ายเหลือเกินบางทีก็ฟุ้งไปเนี่ยมาดึงดึงจิตออกไป บางครั้งก็ลังเลสงสัยเอาอยัางไงดีอไเอ่ยไม่อยากจะเดินกุศลแล้วอยากจะไปทำสิ่งที่มันที่การข้างค้างอะไรก็แล้วแต่ดึงจิตเราอยู่ตลอดเวลานี้บ่งบอกว่าครั้งนี้กาสมาธิจะมีปัญหาตรงนี้ทำไมเราต้องฝึกสมาธิคำตอบก็เพราะตรงนี้แหละเพราะเรามีสิ่งรบกวนหรือสภาพจิตที่ไม่สะอาดมันเยอะมันคอยมันดึงจิตให้เขวออกนอกเส้นทางอยู่เรื่อยเป็นบ่อยมั้ย เนี่ยภาวะตรงนี้เนี่ยถ้าเรารู้เหตุผลตรงนี้เสียว่าทำไมเราจะต้องมาฝึกมาเจริญทำให้สมาธินี่มีพลังทีนี้ในการใช้ชีวิตประจำวันโดยมากเราก็ใช้สมาธิแบบคณินกะโดยส่วนใหญ่เราจะตักน้ำจะเขียนหนังสือจะอ่านหนังสือจะทำกิจกรรมตั้งหลายจะจัดงานทำอะไรก็แล้วแต่โดยมากต้องมีสมาธิ สมาธิระดับนี้ก็คือสมาธิขั้นมูลขั้นพื้นฐานต้องใช้กันอยู่แล้วจะเรียนหนังสือจะอะไรต่างคนที่มีศักยภาพในการเรียนอะไรก็ทุ่มเทอะไรก็เก่งคนคนนั้นกิดเขาเลยคณิตศาสสมาธิเข้าไปถึงชั้นอุปจานแล้เขเข้าไปถึงชั้นอุปจานแลคือเฉียดเลยแน่วแน่เป็นสมาธิที่สามารถาาระงับมีวนได้ ก่อนที่จะเข้าภาวาาะแห่งฌานเนยสมาธิพี่เป็นปุบปภาคแห่งอปันนาคําว่าปุบปับภาคคือเป็นเบื้องต้นที่จะเข้าสู่ฌานคนบางคนอย่างนักวิทยาศาสตร์เขาลืมทุกอย่างเลยนะยเวลาเขาเข้าสู่ห้องแลบอย่างไอสไตน์่นี่ยเจ้านี้ไม่สนใจไม่ให้ทั้งเสื้อผ้าผมผมไม่สนใจเท่านั้น พวกนี้พอไปเข้าอยู่ในนั้นปุ๊บเนี่ยจิตเขาอุทิศกายอุทิศใจจดจ่อในเรื่องนั้นเลยดิ่งในเรื่องนั้นไม่ได้ยินเสียงข้างนอกใส่ใจในเรื่องนั้นไปเลยเนี่ยลักษณะเนี้ยอันนี้แปลว่าอุปจาละจิตเขาดิ่งเนีย่ยหตุนั้นเวลาคนบางคนเวลาเจริญอานาะนะสติเป็นต้นเนี่ยเจริญสมาธิพอสมาธิเริ่มดิ่งๆเนี่ยเสียงข้างนอกก็จะค่อยๆลดทนลงลดทนลงลดทนลง พอฌานนะจิตเกิดหรืออัปนาจิตเกิดปุ๊บจะปิดเตรียมแล้วะจะปิดเสียงเว้นแต่เสียงดั ง, ดงจริงๆมันถึงจะกระตุกกะต้งกระตุกกลับมาได้ถ้าดังไม่เพียงพอไม่นั่แต่ถ้าเข้าจนถึงฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ระดับอปนาเนียเป็นสมาธิระดับสูงเป็นสมาธิที่แน่วแน่แนบสนิทเนี่ยถ้าเข้าถึงระดับนั้นแล้วต่อให้เสียงแผ่นดินไหว ก็ไม่ได้ยินอย่างกําลังสมาธิของอาระลระดาบทอุตักกาดาบทที่บอกว่าท่านเข้าสมาบัติของท่า น, น, น, เ, น, นเนี่ยกุญเงาน่าร้อยเล่มกุญเนทั้งวัวทั้งกุญเนาน่ะคนอีกเป็นเรือนพันมาบนกุญเนเสียงเยะอวยวายหมด อ, อมาผ่านที่ตรงท่านนั่งน้ํานี่ก็ะชอกเลยท่านเต็มไปหมดท่านไม่ได้ยินยไม่หลับด้วยดิ่งในอมเดียวไม่หลับเลย แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยมีคนศรัทธา阿าราะดาบทโู้ศรัทธาบุตรกาศศรัทธาหรือเราพุทธเจ้าฟังพุทธเจ้าเลยบอกว่าอันนี้เป็นโลกิยะสมาธิเป็นสมาธิที่หนงผูกพันอยู่กับโลกไม่ใช่โลคุตระสมาธิพุทธเจ้าก็เลยบอกให้ฟังว่าแต่ถ้าคอดเข้าโลคุตระสมาธิสมาธิที่อยู่เหนือกิเลสแล้วสมาธิที่ขจัดจกิเลสได้แล้วแล้วเข้าสมาธิระดับสูง ฟ้าผ่าหัวตายคนก็ตายผ่าใกล้ๆที่นั่งไม่ได้ยินแล้วนอกจากไม่ได้ยินไม่พอเนี่ยกำลังของฟ้าผาไม่ทําลายคุ้มครองได้ขนาดนั้นนี่กําลังของระดับสมาธิระดับสูงสามารถคุ้มครองการชัช ก, กายในขณะที่เข้าอยู่ในสมาบัติระดับสูงโดยเฉพาะอย่างนี้โรธาสมาบัติเนี้ยไฟเผาอะไรนะั่ย ไม่มีเลยเนี่ยคุ้คองในขนาดนั้นอันนี้ก็ชี้เห็นว่าเนี่ยแท้นพวกเราได้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มารบกวนเ้าเรียกว่านิวรเนี่ยเป็นเครื่องกั้นสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าไปในคุณธรรมไม่ให้ก้าวหน้าไปไปถึงความดีสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าไปสู่ศีลไม่ก้าวหน้าไปสู่สมาธิไม่ก้าวหน้าไปสู่ปัญญาสิ่งที่กั้นจิต ไม่ก้าวหน้าไปสู่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ก้าวหน้าไปสู่อริยมรรคโยมแผดมันมีเครื่องกัน้นยไอ้เครื่องกั้นตรงนั้นเขาเรียกว่านิวรณ์การ ม, มาชันท่าในความพอใจในการมความติดใจใยกสันสภาพที่จิตรั้นร่ น, นไปตามสีเสียงกลิ่นรสผลิภพัพยาบาทความคิดร้ายความห ง, งุดหงิดความโกรธกระทบนั้นกระทบนี้น ทีนั้นมีท่าความบัดถูเสื่องซึมเซงซึมอูถ้าอยากกูกุญแจพุงสร้างลำคาญใจวิจิกิจขาความลังเลสงสัยเนี่ยพอสภาพใจที่ถูกนิวร์กั้นปุ๊บมันก็กลายเป็นเครื่องกั้นไม่สามารถเดินเข้าสู่สมาธิระดับสูงได้ไม่สามารถเดินเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นไดน้แต่ถ้าไม่มีเครื่องกั้นเหล่านี้ขจัดเครื่องกั้นเหล่านี้ได้แล้วเนี่ย สภาพจิตก็จะเกิดจากการได้คุณภาพจิตที่ดีคุณภาพจิตที่ดีก็คือหนึ่งเพราะเอานิวรอออกได้จิตจะแข็งแรงมีพลังมากที่บอกเมื่อวานนี้ว่าเหมือนกับกระแสน้าที่ถูกควบคุมให้ไหลพุ่งไปในทิศทางเดียวย่อมมีกำลังแรงกว่าที่น้าที่ถูกปล่อยให้พลาดกระจายใช่ไหมฉะนั้นจิตพอเรามีรวมศูนย์เป็นหนึ่ง เหมือนน้ำถูกบังคับให้ปล่อยไปในทิศทางเดียวจะมีแหลกกำลังมีพลังมากก็จะพัดพาสิ่งที่ควรพัดพาไปได้อย่างมากมายการมฉันทะความติดใจฝ่ายกรสันปยาบาทความงดหงิดที่น้มิท่าควา ม, มอุดรอถอยแล้วก็อุทธาจักกูจากความฟุ้งซ่านลำคาญใจวิจิกิิชาความลังเลยสงสัยมันเหมือนขยะในใจต้องอาศัยจิตที่มีพลังแรงอย่างนี้พัดพาหรือก็ เป่าออกไปเหมือนการหลอมทองคำเหมือนกันที่เขาพยายามจะสกัดสกัดเอาดีบุกออกเอาเหล็กออกเอาเอาตะกัวออกเอาทองแดงออกเอาเงินออกเขาต้องการสกัดก็ต้องใช้ใ ช, ใช้ไฟเป่าออกเป่าออกนี่เหมือนกันสมาธิที่มีพลังแรงเนี่ยจะเป็นตัวขจัด ถัาจัดสนิงง้องใจก็คือการมาชันทะเป็นตัวนี้ออกประการที่สองคือจิตที่ราบเรียบสงบซึง้งเหมือนสระน้ำหรือเหมือนบึงน้ำใหญ่ที่มีน้ำนิ่งไม่มีลมพัดต้องไม่มีสิ่งรบกวนให้กระเพื่อมให้ไหวตอนนั้นสภาพจิตจะเรียบสงบสังเกต ด, ดูนะจิตจะไม่กระเพื่อมเรียบไม่พอสงบซึ้งด้วยเหมือนสระใหญ่ บึงน้ำใหญ่ๆไม่มีลมพัดต้องจะดูนิ่งสงบจะเป็นอย่างนั้นเลยนะจิตที่เป็นสมาธิก็จะมีภาวะอย่างนั้นนิ่งสงบก็คือระลึกอยู่อารมณ์เดียวไม่สัดใยประการที่สามมีจิตที่ใสกระจ่างนอกจากสงบแล้วก็เรียบซึ่งแล้วเนี่ยยังใสกระจ่างด้วยมองเห็นอะไรได้ชัดเหมือนน้ำสงบนิ่งไม่เป็นรีวขึ้นไม่มีรีวขึ้นแล้ว ไม่วุ่นไม่ขุ่นมัวไม่สับสนไม่เล่าร้อนไม่กรงวนกาวายใสยมองเห็นอะไรชัดปกติเนี่ยน้าถ้ามีมีลมพัด ต, ต้องก็ดีเป็นริ้วขึ้นก็ดีมองอะไรก็ไหวไหวไหวไหวไหวไหวจิตเราก็เหมือนกันนะถ้าไม่สงบไม่เงียบไม่ไ ม, ไม่ไม่ตั้งมัน่นมันจะไหวตลอดไหวไหวไหวกัเพื่อมกเพื่อนลถ้าจิตสงบ มูลนาจัดเราตั้งท่าทางที่กายก็กายก็เบาก่อนอย่างไ้ไกายแต่เข้าเนเข้าพอจิตไประ ล, ลึกถึงอารมณ์ใดปุ๊บเนี่ภาวะต่นนั้นจิตจะเริ่มส ง, สงบสงบแล้วก็เริ่มใสมองเห็นอะไรได้ชัดไม่เร่าร้อนไม่สับสนไม่ขุนมัวไม่กังวลกังวลพอชัดนะประการที่สจิตนุ่มนวลมันจะคำนวณควรแก่การงานหรือเหมาะแก่การใช้งานเพราะไม่เครียด จิตไม่เครียดไม่กระด้างไม่วุ่นไม่ขุนมัวไม่สับสนไม่เร่าร้อนไม่กวลกวายนี่แหละจิตเหล่านั้นจึงเหมาะเพราะจิตตั้งมั่นเหมาะตรงนั้นแล้วเนี่ยจึงเหมาะแก่อะไรเหมาะแก่การที่จะเอาไปใช้งานทางด้า น, ดานปัญญาหรือเหมาะที่จะฝึกฝนหรือวิจัยแยกแยะนั้นจิตที่มีพลังจากสมาธิสตูตบูลถึงขั้นชานนี้ท่านเรียกว่าจิตที่ประกอบไปได้วยองค์แปดอัดถังคาสมานาฆาตจิต จิตที่ประกอบด้วยองค์8จิตที่ประกอบไปองค์8ด้วยองค์8เหมาะแก่การนำเอาไปใช้งานที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทางด้านปัญญาที่เปพิจารณาจะได้เข้าใจอะไรถูกต้องชัดแจ้งใช้ในการบางคนใช้ในการสร้างพลังจิตก็ได้ทีนี้จิต ท, ที่ฝึกฝนเป็นอย่างดีแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการเจริญสมาธิเป็นจิต ท, ที่สงบเย็นมั่นคงไม่วันไหวไปกับอารมณ์หรือสิ่งเล้า ยิ่งเป็นสมาธิระดับอัปนาสมาธิก็ยิ่งยิ่งมีความสงบเย็นประณีตสูงสุดท่านบอกหนึ่งตั้งมั่นมายาจะคําว่าสมาฮิตะจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่จิตกำหนดเวลากำหนดลมหายใจก็ตั้งมั่นอยู่ที่กาหนดตั้งมั่นอยู่ในพุทธคุณก็ตั้งไม่หลุดไปจากพุทธคุณเลยและลืกเกีกันต่อและต่อเนื่องตั้งมั่น บริสุธทธะหรือบริสุทธิ์เนี่ยก็คือหมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองของจิตไม่มีราคะโทสะโมหะไปกุ่มลุมเลยเทะเนื่อ แ, แล้วก็ปริโยธาตาก็เรียกผ่ อ, ผองใสไม่มีกิเลสเครื่องทําใจให้ขุ่นโมวแล้วก็อนังนกนะก็แปลภาวะที่จิตไม่ฟูไม่แฟบ ไ, ไม่ขึ้นขึ้นลงๆโดยมากมันจะฟูแฟบตลอดใช่ไหมถ้าเป็นอนังนกนะก็แปลว่ามันเรียบแล้วเรียบ ส, ำำสม่ำเสมอ วิคตูปกิเลสาก็คือปราศจากสิ่งที่ทำให้ใจมัวหมองไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองมารบกวนมูทุปูตาก็คือนุ่มนวลตอนนี้จิต จ, จะอ่อนนะอ่อนโยนไม่หยาบกระด้างกรรมนิยะดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือว่าเหมาะแก่การใช้งานโดยเฉพาะการพัฒนาวิสุ ป, ปัญญาแล้วก็ทิตะก็คือมั่นคงดำรงมั่นเหมือนเสาเขื่อนไม่โยกครงหรือไม่หวั่นไหว ลักษณะจิตดังกล่าวเนี่ยคำว่ากรรมนิยญาเนี่ยเป็นจิตที่ควรเกการงานมีความสำคัญหรือเป็นจุดมุ่งหมายของสมาธิในคำสอนของพุทธเจ้าจิตที่มีสมาธิเช่นนี้ที่ว่าเป็นกรรมนิยญาเนี่ยเป็นสนามปฏิบัติการทางปัญญาเนี่ยเป็นตัวหนุนให้เกิดความรู้แจ้งเห็นแจ้งในสัจธรรมไม่ใช่อยู่ในฌานแข็งทื่อเหมือนต๊กตาไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เป็นลักษณะอย่างนั้น ทีนี้คุณในลักษณะของจิตที่บริบูรณ์ที่เรียกว่าจิตที่ประกอบไปด้วยองค์แปดดังที่ได้กล่าวเนี่ยที่บอกว่าตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสเรียบเสมอปราศจากสิ่งมัวหมองนุ่มนวลควรแก่งงานแล้วก็มั่นคงจิตที่มีองค์ประกอบเช่นเนี้เหมาะแก่การนำเอาไปใช้ได้ดีที่สุดโดยเฉพาะพัฒนาปัญญาดังที่ได้กล่าวไว้ สมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติจริงดังที่พวกเราฝึกกั น, นหากฝึกปฏิบัติจนติดอยู่ในภาวะของความเป็นอิสระปราศจากสิ่งรบกวนที่จะชวในให้ยึดมั่นถือมั่นก็คือหนึ่งก็คือว่าสติตั้งมั่นในการพิจารณาเข้าถึงความสงบเขาเรียกสมถธิสมถธิ ตัวนี้ก็คือว่าเบื้องต้นจริงๆอยากจะใช้สติในการระลึกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกการที่เราระลึกในลักษณะอย่างนี้ mm. เขาเรียกว่าเป็นภาษาพระ mm. เขาเรียกว่าเจริญกรรมฐานเจริญกรรมฐานมีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานสังเกตดูไหมว่าท่านจะใช้คำว่าผ่องใสจิตต้องล่าเริงต้องเบิกบานต้องพองใสอันนี้ จิตจะล่าเลิงเบิดบานผ่องใสได้หรือไม่ก็อยู่ตรงที่ปรุงแต่งเบื้องต้นจึงต้องมีการปรุงแต่งจิตให้ล่าเลยการเจริญกรรมฐานถ้าจิตหน่อยซึมๆเนี่ยแปลว่าตอนนั้นเนี่ยเราอนัสิการผิดเพราะว่ากรรมฐานเนี่ยก็คือตอนนี้เรามาทำงา น, นการงานหน้าที่นั่ น, นี่แล้วก็สติปัญญานในการที่จะไปพิจารณาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า โดยเฉพาะเราฝึกสมาธิกรรมฐานการฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ไปเอาความสงบในสมาธาิน่ทีนี้การที่จะทำให้ตั้งมั่นเนี่ยสมาธิกรรมฐานทำเป็นเครื่องสงบระงับจิตทำอย่างจิตให้สงบระงับอย่างนิวรือกิเลสฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธาิทีนี้พอการฝึกจิตที่ใช้คาว่า โดยให้กิเลส ท, ที่ปุ้งซ่านในใจนะสงบลงครับให้กรรมฐานก็คือข้อปฏิบัติต่างๆในการฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิในระดับต่างๆนี่คือลักษณะของสมาธิเมื่อบางแห่งท่านใช้คำว่าเป็นอุบายวิธีการที่จะทำให้จิตเกิดความสงบ นนั้นการฝึกสมาธิหรือฝึกสมาธิเนี่ยเป็นอุบายนะเราจึงใช้ลมเป็นเครื่องกําหนดเป็นอุบายเป็นเป็นที่ระลึกแล้วก็จะไม่ให้จิตนั้นพลากไปจากอารมณนน์นั้นๆอย่างนี้เป็นต้นส่วนวิปัสสนาก็คือการฝึกจิตเพื่อให้เกิดความเห็นแจ้งดันั้นตรงนี้ดังที่ได้ขยายมาเนี่ยก็เราจะได้เห็นว่า วัตถุประสงค์ในการที่เราจะมาเจริญสมาธิเข้าสู่ภาวะจิตใ้สของพอจะมองเห็นไหมมีอะไรติดค้างที่จะติดขัดสมาบัตเยคือฌานหรือว่าสมาธิขั้นหนึ่งสมาบัตก็แปลว่าการเข้าอยู่คือคนที่ฝึกสมาธิจนชำนาญแล้วจนเข้าได้เวลาจะเข้าเวลาไหนก็ได้จะเข้าอยู่เวลาเท่าไหร่ก็ได้มีความตั้งใจอยากจะอยู่ในสมาธิ สาิบนาทีชั่วโมงก็จะอยู่ได้โดยไม่ดไมด้ไม่สั้สายเลยฉะนั้นบุคคลประเภท น, นี้เวลาเขาต้องการจะพักเขาก็เลยต้องไปเข้าสมาบัติในการไปหลีกเลนสักระยะหนึ่งก็ไปเข้าอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ขณะที่เข้าอยู่เนี่ยเขาเข้าได้ง่ายเลยไม่ลําบากเหมือนพวกเราอย่างพวกเรายังไม่ได้คนยังไม่ได้สมาบัติก็เลยเข้าอยู่ไม่ได้เช่นเขาตั้งใจว่าเขาจะอยู่ในสมาบัตินี้ในสมาธินี้สองชั่วโมง ในสองชั่วโมงก็เข้าอยู่ปึกเลยเข้าง่ายๆเหมือนเหมือนคนหลับแต่มันสงบกว่านั้นหลับมันจะไม่รู้สึกแต่นี้รู้สึกแต่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวจิตก็ผ่องใสมันจะสุขสงบแล้วก็เย็นเบาโปร่งอยู่งั้นเน่ยอยู่ในสมาธิอย่างนั้นแหละตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่กําหนดพอครบช่วโมงโมงปุ๊บจิตก็ถอยออกมาเองตามที่กําหนดตามที่อธิษฐานไว้อย่างนั้นเขาเรียกสมาบัติ อยากจะได้แบบนั้นไหมคือ <c oughs> เข้าอยู่เวลาไหนก็ได้ใช่ไม้มเขาเรียกว่าหลีกเล้นหรือพักผ่อนในสมัยทั้งพุทธการก็จะเป็นภาวะแบบรีะวันหนึ่งพระท่านก็จะทำกิจกรรมทำงานพระศาสนาสนทนาบอกธรรมะกล่าวสอนก็ได้เวลาท่านกับหลีกเล้นชั่วโมงหรือสองชั่วโมง พอออกมาหน้าตาฟอ <c oughs> ่องใสเลอกบาเนี่ยพักเป็นการพักที่ดีสุดๆถ้าได้ยังไงแล้วยังต้องนอนอ๋อการนอนก็เพื่อให้ร่างกายมันได้ดุลนั่นแหลนะดิเพราะ <c oughs> จะไปยืนเดินนั่งอย่างเดียวมันจะไม่ได้ดุลยาภาพมันจะกลายเป็นเฮดทําไ้ก็คือการนอนของเขาเนี่ยของท่านเนี่ยเป็นการนอนเพื่อให้ร่างกายปรับดุลท่านจะลงพวังก็ได้เข้าอยู่ในสมาบัติในยาบนนอนก็ได้อยู่ที่ท่านจะมาหน้สิ ก, กา แต่อยู่ในสมาบาัตมันสงบกว่า <c> ่ <oughs> านเข้าได้ทั้งสองอย่างงานนอนก็นอนแบบอยู่ในสมาธิเว้นไว้แต่ท่านอะเอาละคือคือเวลาอยู่ในผวังที่เขาเรียกลับเนี่ยตัวผวังมันจะไปปรับทำให้ดังนั้คนที่นอนหลับสนิทจริงๆ จ, งๆจึงเป็นคนไม่ค่อยป่วยร่างกายอายุยืนอันนั้นตัวผวังกับจิต เป็นตัวรักษาระบบหายใจก็สม่ำเสมอเพราะจิตเขาเรียกว่าเป็นเป็นจิตสามัญจิตที่ลงสู่ภวังไม่ขึ้นไม่ลงไม่แฟไม่ไม่ไม่แ ฟ, ไไไไแฟบไม่ฟูเป็นจิตที่เรียบแต่เป็นการพักเขาเรียกเป็นวิบากจิตเป็นผลเนี่ยจะว่านอนได้แปดชั่วโมงไม่มีอะไรมาแทรกซ้อนเลยก็เหมือนเข้าสมาบัตนะหลับเป็นสุขเนี่ เหมือนเข้าสําเวลาออกตื่นขึ้นมาเหมือนจิตทัต้งเกียรติได้คนที่หลับเป็นสุขลงสู่ผวาบมในตื่นขึ้นมาจะยิ้มเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าเครียดเวลาเราตื่นขึ้นมายิ้มตั้งแต่ตื่นเลยมเหมือนเหมือนดอกไม้บานบานเลยมันจะเป็นลักษณะพวกเราเป็นอย่างไนทุกครั้งไหมเวลาตื่นขึ้นมาจะ ย, ยิ้มเหมือนเหมือนออกจากสมาบัตเลยเนี่ยนี่าาก็หลนอนหลับเป็นสุขตื่นก็เป็นสุข ก, ก่อนจะหลับกระจายก็มีความสุขมาก น, นี่อานิสงของอะไรอา น, นิสง์ของสมาธิอานิสงของสมาธิในพลมวิหารนั่นถ้าใครเดินพรล ม, มิหารสมาบัติได้นะเวลาหลับเนะี่ยก่อนจะหลับสุขความสุขเกิดมากจิตจะมีความสุขพอไปปุ๊บนี่ก็จะฟบลงประวังอยู่กับปรวังสมมุติหกชั่วโมงพอออกจากปรวังปุ๊บจิตจะเบิกบานเหมือนเหมือนออกจากสมาบัติ นั้นคนที่จะเข้าสมาบัติออกเจ็บสมาบัติเนี่เขาจะสงบเขาจะผ่องใสามากชั้นใดคนที่ได้กําลังของหรือเดินพรหมวมิหารจนเป็นอัธยาศัยเดินเมตตาเป็นต้นจนเป็นอัธยาศัยก็จะเป็นคนที่หลับหลับมีความสุขตื่นขึ้นมาก็จะอะ้ผ่องใสคือคนจะดูไม่รู้เลยว่าคนคนนี้มีความโกรธอยู่หรือเปล่าก็จะไม่มีออกมาเลยจิตใจไม่ขุ่นอยากได้อย่างนั้นเลยนะ จิตจะผ่องใสล่าเลยเบิกบานมองอะไรก็เหมือนเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญพระจันทร์วันเพ็ญมันเย็นดีไหมคนไปอยู่ใกล้ๆ ก, ก็เย็นเขาอยู่ใกล้เขามีความสุขบางทีเขาอยากจะมองเลยอยากจะมองท่านพวกนี้แล้วเกลอมองแล้วก็มีความสุขแค่ได้เห็นเนี่ยเขามีความสุขนะเห็นปฏิกิริยาเห็นการยืนเดินนั่งนอนเห็นทำอะไร มองอะไรมันก็ดูเดีย่ยวเป็นเงมีพลังเมตตาเอมาามาีมาจากสมาบัติมาจาสมาธิหอยากจะได้ตรงนี้มันขอ้ท <c oughs> <c oughs> ังนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมนี่สำคัญวนะ่เห็นอะไรมันขัดเคืองมปหมัวเดืตรงนี้น <c oughs> มันมันจะผ่องายมันจะเป็นลักษณะน้ะไรนตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเมื่อฝึกได้แล้ว สภาพใจใจะได้อยู่่นั้นีม้จะแปลกใจเพราะว่าเราเราไม่ได้ฝึกมานานนะในชีวิตเราเนี้เราต้องยอมรับเนาะอ๋อเราไปไปทําจนคุ้นเคยอีกอย่างหนึง่งตอนนี้เราเพิ่งมารู้วิชาวิชาที่จะเข้าถึงความสุขวิชาที่จะเป็นปัจจัยความพ้นทุกข์ใช่ไหมวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่พระเจ้าทรงสอนไว้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้เรียนรู้มาก็เป็นเรื่องปกติตอนนี้เรามาฝึก แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราต้องมีอุบายวิธีแม้เราอยู่ข้างนอกออกจากสมาธิเราก็ต้องป้องกันบาปได้ในการเห็นการได้ยินเราก็มีต้องฝึกสติสัมปชัญญะในชีวิตจริงด้วยในการก้าวไปถอยกลับก็ต้องมีสติสัมปชัญญะในการแลตรงแลเหลี่ยวก็ต้องฝึกสติสัมปชัญญะปิดบาปให้ทัน ก็แลตรงแลเหลียวมองไปตามที่ต่างๆบางอย่างมองแล้วบาปเกิดเราจะไม่ค่อยมองเราจะไม่ควนขวายไปดูมองแล้วเกิดกำหนัดมองแล้วขัดเคืองมองแล้วลุมหลงออย่างนั้นเราก็ยาบตัดมองแล้วได้ความสงบแ่งใจมองแล้วจิตมีความสุขแล้วก็ฝึกอย่างนี้ไปก่อนเห็ไหมหรือถ้าจะมองเห็นไหมสมมติถ้าจะมองสิ่งนี้ไปดูสิ่งนี้ไปเห็นสิ่งนี้ก็ตั้งมนตสิการในใจว่า เราจะฝึกจิตให้ดีเราจะไม่ไปแบบไม่ได้ฝึกสติสัมปชัญญะให้แข็งแรงเราจะมองแบบศึกษาเรียนรู้จะไม่ให้บาบมันไหลลงสู่ใจให้เออตั้งใจขนาดนั้นเนี่ยเรามองการมองการฟังการเกี่ยวข้องการสื่อสารมันก็ลักษณะนี้เราจะใช้สติสัมปชัญญะในการดูเป็นฟังเป็นดมเป็นกินเป็น <c oughs> สัมผัสเป็น คิดเป็นทำเป็นสื่อสารเป็นนะสื่อสารก็มาใช้สติสมชัญญาในการกันบาปอาับพลทั้งหลายไม่ให้ไหลสู่จิตพอเราจะเข้าสู่ความสงบไม่ยากแต่ถ้าคนเพลอเลยปล่อยใจแต่ละวันหรือในสถานการณ์เวลาไปอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมก็ถูกสิ่งเล้าดึง เช่นสิ่งแล้าที่ทําให้โลภกับโลภเป็นเมที่สิ่งแล้าที่ทําให้โกรธกับโกรธเต็มที่สิ่งแล้าที่ทําให้เพลิดเพลินกับเพิดเพลินเต็มที่สิ่งแล้าที่ทําให้โัวเมา่ลุ่มหลงกัลุ่มหลงเต็มที่ถูกสิ่งร้ากระตุกดึงไปอยู่ตลอดเวลาคนกลุ่มนี้ทําสมาธิยากเพราะว่าเผลอเลยไม่ละมัดระวังแต่ถ้าคําว่าระวังในที่นั้นเป็นชื่อของสติสัพพัญญะมันไม่ใช่ไปจ้องระวังเนี่ยแปลว่าพัฒนาข้อมูลความรู้ขึ้นมา เมื่อมีเมื่อสติมีกําลังมากขึ้นสมาธิมีกําลังมากขึ้นความเพียรปัญญาเป็นต้นมีกําลังมากขึ้นไม่ต้องไปทำอะไรเลยเรารู้แล้วเข้าใจมองอะไรปุ๊บก็เห็นเห็นเห็นอย่างตลอดสายไม่มองอะไรแง่ใดมุมใดมุมหนึ่งถ้ามองเจาะไปที่มุมใดมุมหนึ่งมันก็กลายเป็นนักเข้านัเข้ามันก็จะติดอยู่แค่มุมนั้นมองอะไรได้ตลอดสายอย่างยกตัวยอย่างตอนเช้าที่บอกว่า คนคนี้เขาพากันตำหนิว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยพอเราปุ๊บแล้วก็เลยมองไม่ดีไปตามเขาเลยไอ้มุมดีเลยไม่เห็นเหมือนไปมองบอกว่าเด็กนักเรียนยิงกันแล้วก็มองแต่ยิงกันนั่นแหละเด็กในอเมริกาทั้งสองรอยกว่าคนในอเมริกาทั้งสองรอยกว่ารายที่เขาอยู่สงบเขาตั้งเยอะแต่เรากลับไม่มองไอ้มองแค่สิบแปดคนนี่แหละมองอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยเป็นตนอนโหองทีเขาฆ่าสัตว์ ในรองฆ่าสัตว์เป็นพันเราไม่เคยคิดเลยมันก็มันก็สิ่งมีชีวิตนี่แหละยังไงล่ะหรือคนที่ไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยมากกว่าสิบแปดคนอีกในโลกใบเนี้ยหรือในเมืองเมืองหนึ่งแม้ในประเทศไทยเนี่ยแทบจะทุกชั่วโมงตายเกินสิบแปดคน <c oughs> ที่อุบัติเหตุเนี่ยเยอะแยะไปหมดแต่เราไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่โฟกัสไปไงพอเราโฟกัสไปมุมใดมุมหนึ่งปุ๊บแล้วก็ไม่โฟกัสมุมอื่นจิตมันก็ตันดิเพราะมันไม่มีสิ่งอื่นมาบาลานนี่ ในข้าวในข้ามันก็เลยดูดไปในเรื่องนั้นพอเรื่องดีก็กำหนัดที่เรื่องไม่ดีก็ขัดเคืองอยไม่แยกแยะ ก, ก็รุ่มหลง ม, มัวเมาหรือบางทีก็กลัวลูกจะเป็นอย่างนั้นแม่จะเป็นอย่างนั้นคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นโอกาสไปไปมาก็เลยไปไม่มีหลักไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีหลักเพระงั้นตรงนี้เวลารับรู้ข้อมูลตรงนี้ปุ๊บ ก, ก็รับรู้แบบแยกแยะเริ่มเห็นยังแยกแยะวิจัยว่ามาจากอะไรเป็นกรณีศึกษา ดูแล้วไม่ถอนหาใจวันหนงเขังเกลียดูนะบางครั้งเราดูบางเรื่องเพระว่ามันทำไมต้องเป็นอย่างนี้เคยเป็นไหมมันถอนหายใจอ่ะอย่างนี้รักสมัี้ดูแล้วท้อดูแล้วทุกดูแล้วหวั่นไหวพอดูปุ๊บถ้ามองด้วยปัญญาปัญญาก็จะไปมองตรวจสอบวิจัยแย่ๆอ๋อมันมาเพราะอะไรเชื่อไหมมนุษย์ที่จะถึงเวลาตายเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ตายนะ ถ้าไม่ถูกยิงตายนะเนอก็ประสบอุบัติเหตุตายนะเออมนุษย์เราเป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าบาปรกรรมมันแรงๆขึ้นมาเนี่ยอยู่ในบ้านไม่ได้จะต้องออกไปตายข้างนอกก็ต้องไปเนะหรือถ้าจะไม่ไปตาใครชวนยังไงก็ไม่ออกเนะเออมันจะเป็นอย่างนี้เนะเพราะกาลังบุสนมันรักษาเนี่ยเข้าใจความจริงนู้ใช่ั้ม ในโลกใบนี้ไม่มีหย่อมหญาไหนเลยในในจักรวาลนี้ที่ไม่มีสัตว์ตายไม่มีสัตว์เกิดในโลกใบนี้ที่เราเดินเหยียบไปเนี่ยเราเดินอยู่บนเหยียบบนกระดูกของตัวเองนั่นแหละเราเคยตายมาทับถมบนแผ่นดินวันนี้มากไหมนะมีมองในแง่ของสังสารวัตรก็สัตว์เกิดได้แก่ได้เจ็บได้ตายได้แต่สัตว์ทั้งหลายที่เบียดเบียนกันเนี่ยเพราะอะไร พราะความไม่รู้นี่เลยเนาะความไม่รู้นี่เลยเนาะการเวียนว่าตายเกิดนี่เลยเนาะสังสารวัฏฉะนั้นมนุษย์ก็แก้ปัญหากันแบบผิดผิดพลาดพลาดก็ว่ากันไปใช่ไหมจะมีสักกี่คนที่จะแก้ปัญหาถูกคนที่จะเอาธรร ม, มะมาแปลแสนคนเลยหนึ่งแสนคนเนี่ยที่จะเข้าถึงธรร ม, มะได้หนึ่งคนหนึ่งส่วนเนี้แสนส่วนเนี่ยเข้าถึงได้หนึ่งส่วนอย่างที่บอกว่า ถ้าติดในรูปเนี่ยติดในรูปเนี่ยถ้าสามส่วนเนี่ยสองส่วนติดในรูปหนึ่งส่วนไม่ติดถ้าเสียงเอาสี่ส่วนสามส่วนเนี่ยติดในเสียงหนึ่งส่วนไม่ติดถ้าติดในรูปแบบคนที่ชอบกฎเกณฑ์กติการูปแบบก็ดีก็จะทําระบบได้ดีเนี่ยเนี่ยสิบส่วนเนี่ยติดในรูปแบบหรือความเศร้าหมองเป็นต้นกติกาเนี่ย เส่วนอีกหนึ่งส่วนไม่ติดถ้าธรรมะคนที่ถือธรรมะเป็นประมาณถือความถูกต้องเป็นตัวเรานี้เป็นประมาณแสนส่วนมีส่วนดีบ้งขนาดนั้นใช่ไหมงั้นเนี่ยให้เห็นความจริงตรงนี้ไดใจจะได้เปิดกว้างขึ้นพอจิตไม่ติดไม่ไม่ไม่มองอะไรมุมใดมุมหนึ่งสภาพใจก็ปโปล่งเอาแล้วต่อไปเราจะได้ฝึกสมาธิพอมองเห็นเนี่ย มีอะไรอยากจะถามมั้ยมีตรงไหนติดขัดว่ามันจะทำไม่ได้มี้ยบ้างมั้ยไม่มีโอเคไงมีอะไรจะถามมั้ยไม่มียากไม่ทำสมาธิยากตรงไหนยากตรง จะหลับนี่นะ <G ül üyor> รู้เอา้าวแสดงไม่รู้เหตุปจัจจัยรู้ไหมว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้หลับเพราะอะไรรู้ไหมรู้ไหมเพราะว่านิวรณข้ามาเราไปใส่ใจใจที่เราไปใส่ใจไม่ถูกต้องให้สังเกตตัว น, นะเราไปใส่ใจในความพอถูกพอถอเราเบื่อเราเสงต้องใส่ใจ ใส่ใจไเรื่อยๆหน้าเบื่อหน้าเซ็งไม่อยากทำเลยเนี่ยเราใส่ใจไปในในความโหยเหงาเศร้าซึมเนี่ยคิดไปในเรื่องความโหยเหงาเศร้าซึมคิดในเรื่องการโต้คิดในเรื่องการไม่อยากขวนขวายคิดในเรื่องการไม่อยากจะพ้นทุกคิดเวลานี้มันไม่เหมาะเวลานี้จริงๆเราอยากจะพักเราอยากจะนอนคิดไปเรื่อยๆหลับเลยได้นี่ถ้าจะคิดให้มันเกิดความเพียรความเกล้ากล้าเราคิดยังไง คิดยังไงพระพุทธิจ้าบอกว่าอนาปันสุตถ้าทำทีหน่าจะปิดกเมลให้คิดถึงว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ตายตอนนี้ปลอดภัยไหมโมฟุ้ง่าห์นี้บาปที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันให้ผลไถ่ทำไรเราไม่นั่งทำบาปอย่างนี้ทำไมไม่เร่งในการจเจริญกุศลเห็นไหม ความแก่ก็บีบคั้นความเจ็บก็บีบคั้นความตายก็บีบคั้นมาตลอดเวลาสัตว์ทั้งหลายก็ถูกความเกิดแก่เจ็บตายบีบคั้นลโลกภัยใกล้เจ็บเราจะไม่ปฏิบัติเวลาไหนพรุ่งนี้วะนลือนี้เวลานี้มีโอกาสแล้วที่จะปฏิบัติทําไมเราปล่อยเวลาขนาดนั้นทําไมไม่เพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุธรรมให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ธรรมให้แจ้งทําไมเราต้องเราทําไมเป็นคนขวนขวายน้อยขนาดนี้ ตอนนี้ก็ไม่ป่วยแล้วไม่ใช่หรือตอนนี้ก็ได้เป็นพระแล้วไม่ใช่หรือตอนนี้เราก็มีเวลาในการปฏิบัติแล้วไม่ใช่หรือทำไมไม่ใส่ใจไม่มานาสิกานไม่ระดมความเพียรตั้งแต่วันนี้เราจะรอวันไหนแล้ววันไหนคือวนันพรอถ้าเกิดจจลาจนขึ้ น, นมาจะนั่งสมาธิได้ไหมเกิดโรคระบาดขึ้นมาแล้วจะนั่งสมาธิได้ไหมภาวะเข้ายากหมกแพงขึ้นมาจะนั่งสมาธิได้ไหมภาวะที่คนแตกแยกจะนั่งสมาธิได้ไหม สภาวะที่เกิดความฟุ้งอู่นวายมีแต่การงานกลุ่มรุ่มจนั่งสมาธิได้ไหมเวลาที่ไปเดินทางจะนั่งสมาธิได้ได้ไหมไปป่วยขึ้นมาหายป่วยใหม่ๆมีแต่เรื่องอ้างทั้งหมดเลยใส่ใจคิดแบบนี้จะเกิดความเพี้ยนอย่างเงีั้นให้สังเกตถ้าฟุ้งก็ฟ้งให้ข้อมูลถามบอกว่าเราฟุ้งในขนาดนี้ตายลงขนาดนี้เราก็ไประบายนะ ไหนเราบอกว่าเราต้องการอยากจะเข้าถึงความสงบเข้าถึงความตั้งมั่นแห่งจิตเราจะมานั่งฟุ้งไม่ควรกับเราเลยเราฟุ้งไปเนี่ยฟุ้งทำไมเราเป็นห่วงใครห่วงเรื่องอะไรฉะนั้นวาระนี้เท่านั้นเราวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงเราจะไม่มีโอกาสในการเข้ามานั่งฟังมานั่งฝึกจิตให้สงบน้อยเหลือเกินวันหนึ่งเรามัวไปเรื่องน้นไปเรื่งนี้อยูตรตร่ตลอดเลา ทำไมไม่เอาวาละนี้ให้เป็นประโยชน์เราแล้ววาลาเนี้ยเรามัวไปคิดเรื่องนู้นจะทํานู้นจะทํานี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะไปคิดตรงนั้นเวลานี้เป็นเวลาที่จะฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบฉะนั้นให้น้อมใจเห็นคุณของความสงบเห็นคุณของสมถะเห็นคุณของภาสภาวะที่จิตสงบ ส, สภาพจิตที่ผ่องใสจิตที่ตั้งมั่นจิตที่สะอาด สภาพจิตเหล่านี้เป็นจิตที่ดีใช่ไหมเราก็ปรารถนาอยากจะได้จิตแบบนี้ถ้าเรามานั่งฟุ้งซ่านอย่างนี้เมื่อไหร่จะเข้าถึงความสงบเล่าเนี่ยเตือนจิตตัวเองแบบเนี้แล้วก็จะหยุดระงับทันทีฉะนั้นทุกครั้งอะไรเข้ามาไม่ใช่ปล่อยเพลินๆ น, นะต้องเตือนโดยเฉพาอย่างดันไนส์เนี่ยนะต้องเตือนว่าเออเรามาหดถู่ท้อถอยมาเซง็งมาซึมซไม่ควรกับเราเลยวันร้างนี้ต้องกระตืหรือร้อนต้องกระตุนตต้นตัวเองขึ้นมาอย่างเนี้เป็นต้นเห็นไหมทั้งหมดหเหล่านี้ มันเป็นเรื่องว่าเวลาสถานการใดๆเกิดขึ้นมันเหมือนเราไปเจอเหตุการณ์เนี่ยไม่ใช่ไปโมตื่นเต้นอยู่ต้องมั่นคงตั้งมั่นอย่าลืมว่าเรากําลังฝึกตนเองอย่างเนี้ยจะต้องให้ข้อมูลถ้าถ้าหากว่าปัญญาหรือข้อมูลไม่มามันก็อวนอยู่นี่นแหละใช่ไหมนั้นก็ให้ข้อมูลตัวเองจากการที่เราฟังมาดีได้ข้อมูลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเอาข้อมูลที่ฟังมาเนี่ยมาเป็นเครื่องในการ ยอมจิตใจของเราหรือให้ข้อมูลแก่ใจเพราะถ้าไม่ให้ข้อมูลใจมันวนมันวนอยู่วนวนวนมันไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้ถ้าปัญญามาปุ๊บสติมาปุ๊บสมาธิไปต่อได้ถ้งงั้นจิตมันอั้นจิตมันตันบางทีเราก็อืทํำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปไปงดหงิดเข้าไม่นะอย่าไปงดหงิดครับบางครั้งเขาเขาอ่อนแอก็ประคองครับ ถ้าเขาแรงเกินไปแบบเปบดเฉยก็ค่อยๆปอบโยนใช่ไหมเวลาเกิดเขาอยู่เฉยนิ่งนิ่งเกินไปนี่วก็กระตุ้นความเพียรมันก็ลักษณะแบบนี้ที่บอกว่าถ้าเกิดความเพียรมากเกินไปมันจะพุ้งแล้วก็สงบมากจนหดถูท้อถอยไปมันจะหลับเนตรงนี้ก็แกยค่อยๆปรับใช้สตินั่นเองค่อยเคลียอยค่อยปรับดุดลตลอดเวลา สัทธาปัญญาโดยเฉพสัทธาไม่เป็นไรเจ้ามีคอยมีไว้สงวนนี้ยังอ่าคมีเวลานั่งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่านิดหน่อยบางทีนั่งนั่งเรียงขาก็ได้ ค่ะปวดไหมเวลานั่งขาทับได้ไหมไม่ค่อยได้เอาที่ถนัดเอาที่ถนัดก็แล้วกันถ้าไม่ท่านเน็บไม่กินไม่เป็นไรบางคนเน็บจะกินไม่กินเอาที่ถ้าอย่างนี้มันจะไม่กิไม่ค่อยกินนั่งได้นานไม่หม่จง นเพราะว่าถ้านั่งขาทับซ้อนกันปุ๊บเนี่ย น, น, นั่งได้ไมีนาถ้าเป็นนักนั่งกรรมาฐานนานๆแล้วในเข่านเข่าหลังจะสีหลังไม่ค่อยยืดตรงแต่ดีถ้ามีอะไรองมันอาจจะลอง การมาฐานมันค่อยๆปรับให้มันเข้ากับเข้ากับที่เราเราสะดวกที่สุดบทีถ้ามันตึงตรงไหนเส้นมันตึงหรืออะไรต่างก็บิดได้คำว่าเกรงเคยเป็นไม่นั่งไปนานานแล้วเกรง คลายเป็นไว้คลายกัเก่งรู้ไหมอย่างเงี้ยนี้เก่งก็ค้างผ่อนลองลองทําดูดีเราจะรู้อย่างอย่างเงี้ยเข้าผ่อนทุกส่วนของร่างกายมันมันเก่งมันผ่อนในตัวมันเองได้ไหมจิตเนี่ยเป็นล็อกมันบางครั้งท่านั่บางครั้ที่เหมือนรู้สึกตั้งใจมากๆเนี่ยมันจะรู้สึกตึงตรงนี้นั่นแหละแปลว่าเราไปไปไปไปเพ่ง<อ>ไปเพ่งเขาต้องต้องผ่อนคลาย อย่นี้ต้องต้องฝึกลองฝึกเกรงนะเราจะรู้เหมือนเกรงผ่อนนะเกรงที่เนี่ยที่ไหลลองเกรงดยทีนี้ลองเกงไหลดู despair. แล้วก็ผ่อนนะเกรงที่ขาแล้วก็ผ่อนมันเกรงได้ทุกส่วนในราา่างกายแต่ฝึกเอา อ, อย่างนี้เรียกเกรงอย่างนี้เรียกผ่อนอย่างนี้เกรงอย่างนี้ผ่อนเอฝึกฝึกให้ดูอ๋อมันจะได้รู้ตัวเองว่าตอนนี้เกรงแล้วแล้วมันจะได้ผ่อนแล้ ฝึกดูอ้อมเป็นอย่างนี้เองง้นก็ก่อนจะนั่งก็ปรับเขาเรียกว่าตั้งกายตรงอุชุงกายอย่างตั้งากายตรงครําว่าตั้งกายตรงนี่ก็ปรับรความรู้สึกไล่ทุกสัสดส่วนร่างกายตรงไหนมันตรงไหนมันตึงตรงไหนมันเกร็งลลก็ปลดล็อกปลดล็อกในร่างกายไล่ไล่ตั้งแต่ศีรษะเจิดเท้าดู เตั้งใจตั้งดำรงสติให้ตั้งมัน่นไอ้ตรงนี้ก็คือว่าเอาและ ว, วาระนี้เราจะนั่งถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้มั่นคงที่สุดตอนนี้เราจะเรื่องราวใดๆที่ผ่านมาทั้งหมดเราจะวางไว้เราจะไม่วาระนี้ไม่ใช่วาระที่เราจะไปทำสิ่งนั้นไปคิดสิ่งนั้น หรือมัวไปเอางานมาไว้ในใจเราเอาเรื่องราวต่างๆทั้งหลายก็ปิดล็อกตรงนั้นไว้พิจารณาดูแล้วว่าเรามีเวลาเจริญกรรมฐานนิดเดียวเองแต่และ ว, วินาทีแต่และ ว, วินาทีมันมีค่ามากพอพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เราจะพ่อพระสาสพุทธเจ้าประดุดดังเรารับกรรมฐานจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้า ระลึกแล้วใจยังไม่เอิบอิ่มก็ให้ลึกถึงทานกุศลที่เราได้็กให้กันหรือระลึกถึงพุทธคุณระลึกว่าเราได้ให้ทานได้สละได้ดูแลได้ช่วยเหลือได้แบ่งปันหรือระลึกถึงพุทธานุสติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบําเพ็ญทานบารมีมาอย่างไรเราก็ได้ให้ทานบารมีเตือนตามรอยบาทพระพุทธเจ้าแล้ว พระเจ้าบำเพ็ญศีลบา ร, รมีเราก็ได้บำเพ็ญศีลบา ร, รมีตามพระพุทธเจ้พาพระเจ้าบำเพ็ญเนคขมมะเราก็จะฝึกตนเองน้อมออกจากกลามออกจากความกำหนัดขัดเคืองให้ได้พระเจ้าบำเพ็ญปัญญาบา ร, รมีข้าพเจ้าก็จะบำเพ็ญปัญญาบา ร, รมีตามพระพุทธเจ้ากำลังสั่งสมอบรมฟังข้อมูลต่อพระเจ้าบำเพ็ญวิทยาบา ร, รมีออกจากโกศชาความเกียจค้านออกจากความ ความไม่ภารล่ความเพียรเราก็จะบําเพ็ญปัปวิริยธรรมีตามพุระเจ้าพระเจ้าบําเพ็ญขันติบารมีมีความอดทนตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านต่ออันตรายทั้งหลายที่โถมทัาเข้ามาเราก็จะบําเพ็ญขันติบารมีตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าบําเพ็ญสัจจะบารมีแล้วก็จะมีสัจจะจริงทางกายทางวาจาแล้วก็จริงใจ จริงการการะทําและจริงใจในการที่จะฝึกตนเองพระเจ้าบําเพญ็ญอธิษฐานบา ร, รมีไม่ท้อต่อปัญหาและอุบัติศัเราก็จะอธิษฐานไว้ในใจให้มั่นคงเจอปัญหาเจออุบสรรค์เจอกิเลสมารุมแล้วก็ไม่ท้อไม่ยอมแพ้พระเจ้าบําเพญ็ญเมตตาบา ร, รมีเราจะทําใจของเราให้พองใสเปิดกว้างมีความรักปรารถนาดีกับตนเองและสัตว์อื่นพระเจ้าบําเพญ็ญอุเบกขาบา ร, รมี ไม่วันไหวต่อโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดนินทาสรอเสริญสุขทุกเป็นต้นเราก็วางใจเป็นกลางต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาแค่นี้นั้นเรากําลังมาบาเพ็ญบา ร, รมีเดินตามร้อยบาทประสาสดาแล้วเราจะาบา ร, รมีนี้มาหมุนไว้ในต้นพอพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมพอเห็นปุ๊บเราก็เริ่มกระทำให้ติดต่อและต่อเ น, นื่องพอมองเห็นไหมนั่นระลึกตาก